อปสันนหินาธาสัสสานนสาธุสัมมาเตอมนุเสหิจันเดหิสทากิภิสกังริพีปังริสานังจตัสสานังอาหิงสายจคุติยายังเทเสสิมหาวิเงร ปางฤทธตังตังพัฒนาไม่ วิปัสเสิสาจันนามาตุจาคุมานตาสัสิงเรมาตัวสิกีสะปิจันนามาตุสาพะปัวตานุกรรมปิโนะเวสะปัวสะจนนามาตุนะฮาตกาสะตะปาสิโนะนามาตุกกุสันธาสมารเสนาปมาทินโนะโกนาขมนาสนามาตุพระมลนะสวงุสีมาตัวกาสะปัสสจนนมาตุวิปมุ ปตตาสสะพัดิอังเคิรัสสะสนมาตุชากยพปุตตาสสิริมตัวโยอิมังธรรมมังเเสิสาปทัวขปนูธนังเยจปาปิเนผูตาโลเกยถาภูตังวิปัสสุงแตชะนาอภิสุณาธรรมหันตาเวตาสังรธาอิตังเทวมนนสานางยานามาสันติขวตมัง เวชชาจารนสัมปันนางมหันธังเวตาสัตรังเอเตจันเยจะสัมพุทธาอเนกัสตะโกติโยสัพเพพุทธาสัมมสัมมาสัพเพพุทธามเหิติกาสัพเพทสภพลูเปตาเวสาราเชวุปาตาสัพเพเตปฏิชานณติอาสะพังฐานนโมตมังศหณาทัง นาทันเตเตปันริสาสุวิสากระรามพระมจักกลางปวัติยันติโลเกอปติวัติยังอุเปตาพุทธธรรมเมียธาตราสันญาญากาพาติงสลัพทานุเปตาติตาณพยัญชนะทั้งราพยามาปพายาสปพาสัพเพเตมุนิกุลชะลาพุทธาสัพพันยุโนเอเตสั สัพเพกีนาสวัชินามหาปพามหาเตชะมหาปัญญามหาภรามหากรุณิกาทีรัสสัพเพสานสุขาวาธีปานาทัปติภัสกานาเลนาจปานินางคติพันธุมหาสาสสังระาจหิเตศินโสเทวกาสโลกาสัพเพเอต เจปารายนาเอสาหังสิระสาปาเทวันทามีภูริสุตเตเมวจะสามานาสาเจววันทาเมเตตถาคเตสยเนอาสเนธาเนขมันเนจัปิสาปทาสทาสุเขนณรักขันกุพุทธาสันติการาตุวังเตหิตวังราคิโตสันตัวมัวโตสับพะเพเยหิจัสัพพังตัว วาวินิมวตตวสะพัสันตาปวัชิตตวะสพเวรธรรมเตกันตวะเนพุตวะจตุวังภวเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาพรเลนเตปิอามเหนุงรากขันตวันโรวเขนอสุเขนาจะพุงราธิมาสมิงทิสาภาเคสันติปูตามิติกาเตปิอามเหนุงรากขันตวันโรวเค เคนสุเคนาจัตากินาสมิงทิสาภาเคนสันติเทวามเหิติกาเตปิอรรมเหนุกราคันตัวอันโรวเคนสุเคนาจัปาชิมาสมิงทิสาภาเคนสันตินาคามหิติกาเตปิอรมเหนุกราคันตัวอันโรวเคนอสุเคนาจาวัตังราสมิงทิสาภาเคนสันติยาธมรเหิติกาเตปิธรรมเห นุราคันตัว a n d r o k h e ṇ a s u k h e ṇ a c c h u p u n g r a h i เมนัธตัณระโทธาคินเนนวิรุณาโกวปาชิเมนัวิกรุปาโคภูเวงโรอุตันตรังที่สังจัตตาโรเตมหาธราชาโลกปาลายสสสินโนเตพิอามเหนุงราคันตัว androkheṇasukheṇacchakassathacchupumathatevānaka มาเหติกาเตปิอามเหนุราคันตอันโรเคนะสุเคนจะอิธิมันตัวจะเยเทววสสันตาทสสสเนเตปิอามเหนุราคันตอันโรเคนะสุเคนจะสัพพติโยวิวัชันตุสัพพโรโคมินาศตุมาเตภวตวันตรรายสุขีธีขายุกภวะอภิวาตนาสีรสนิ จังวุทธานปัจาจายหนัวจัดจางกัวทำมาวาทานติอายุวันหนสุขังภาลัง